ความพ้นทุกทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ที่เราเรียนธรรมะมาทั้งหมดเนี่ยนะพระนิพพานก็นับหนึ่งในธรรมมังสารนังคัจฉามิมันก็ขอบุญกุศลที่เราเจริญด้วยดีเนี่ยนะด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาหิริโอตปะสุตะการฟังธรรมเหล่านี้จงเป็นไปเพื่ออบรมเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอย่างลงสู่อ ม, มะตะธรรมะที่ดับความทุกข์โดยประการทั้งปวงทุวนกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้จึงพอ พระสูตรในอุทานที่เรียนช่วงนี้เนี่ยนะถือว่าเรียนธรรมมังสรารนางังคชามิโดยเฉพา ะ, ะพระนิพพานเนี่ยนะปกติแล้วเราคุ้นเคยกับคำว่าปริยัตปฏิบัติแต่คำว่าปฏิเวทหรือการตรัสรู้โดยเฉพาะสิ่งที่ตรัสรู้นั้นปฏิบัติไม่ค่อยเอามาปรารถเท่าไหร่ซึ่งถ้ากล่าวตามเป็นจริงหลายก็กล่าวคา คำว่าสวากขาโตพระควาตาธรรมโมอยู่บ่อยพระธรรมที่พระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้นโดยศัพท์หมายถึงปริยัติอริยมรรยพนและนิพพานปริยัตินั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้อย่างถูกต้องแท้จริงเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามปริยัติที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดสามารถพ้นทุกข์ได้จริงสาระที่สําคัญของปริยัติก็อยู่ที่การ ปฏิบัติปริยัติเป็นของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเป็นของเราทั้งหลายทีนี้เอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าการปฏิบัติของเราเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เอาปฏิเวทไงเป็นเครื่องวัดถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนปฏิเวทคือการแทงตลอดการตรัสรู้ก็จะมีได้ในบรรดาการตรัสรู้เนี่ยนะที่เรียกว่าปฏิเวทการบรรลุ ก็หมายถึงปฏิเวทเนี่ยมีอยูออ่บันลุโดยการกำหนดรู้เรียกว่าปริญยาปฏิเวทะเนี่ยนะบันลุโดยการตรัสรู้ด้วยการถึงบันลุการรอบรู้อย่างที่สองก็เรียกว่าปานะปฏิเวทะก็คือการพิสุหรือบันลุด้วยการละเนี่ยนะสัจฉิสัจฉิกิริยาปฏิเวทะก็คือบันลุด้วยการทำให้แจ้งกับ ภาวนาปฏิเวทะบรรลุด้วยการเจริญทั้นคําว่าบรรลุนั้นหมายถึงการทํากิจทั้งสี่ประการแทงตลอดด้วยกิจสี่ประการคือการกําหนดรู้การละการทําให้แจ้งและการเจริญเพราะว่าโดยปกติทั่วไปนั้นกล่าวถึงบรรลุเหมือนกับว่าอาการที่มันวูบมันวา่าหรือมันปรากฏตการพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่เรากะคาดคะเนคํานวณเอาว่า การบรรลุคงอย่างนี้มัง้งการบรรลุคงอย่างนั้นมัง้งพระพุทธเจ้าบอกว่าไอการตรัสรู้โดยเฉพาะอาริยศาสนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จะเข้าใจได้ง่ายๆเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรนะฝันก็ได้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นเป็นเรื่องของการตื่นจริงๆพุทธะก็แปลว่าตื่นใช่ไหมฉั้นการบรรลุการตรัสรู้นั้นอ่ะเป็นการบรรลุแบบคนที่ตื่นตัวเต็มที่นี่การตื่นตัวในที่นี้หมายถึง ตื่นในการรอบรู้ตื่นในการละธรรมะให้แจ้งและการเจริญในพระสูตรที่ถ่ายเจริญอยู่นในเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงธรรมะที่ที่ควรทําให้แจ้งหมายถึงพระนิพพานท่านบอกว่าพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่รู้ยากเห็นยากอะไรที่ยากทําไมจึงยากเพราะคนไม่สั่งสมบูรณ์มาแทงตลอดไม่ได้หรอก ถ้าไม่ได้ทำบุญมาจริงๆก็ยากนะนะก็อย่าลืมว่าเป็นเป็นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดในพระพุทธศาสนานะเป็นกระวัาธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติทั้งหมดที่บุคคลทั้งหลายเจริญตามคําสอนเป้าหมายสุดท้ายก็คือการแห่งตลอดพระนิพพานข้อความในอุทานนะนะนะคุตการนิกาย หน้า719ข้อหนึทุติยะนิพพานสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเชตวันเมื่อพระผู้มีพระภาคบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายนี้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาอันปฏิสังยุทธ์ด้วยนิพพา น, นนะพระพุทธเจ้าเน้นแสดงถ้านิพพานพิสูทั้งหลายเหล่านั้นก็กระทําให้มั่นมนานสิการแล้วน้อมนึกถึงธรรมีกถาด้วยจิตทั้งปวงแล้วก็เงี่ยโสดลงฟังธรรมคือถือว่าเป็นหัวข้อพระธรรมที่ละเอียดสุขมุมลึกซึง้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงนะพระพิสูเหล่านั้นก็ตั้งใจฟัง ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงนั้นน่ะแสดงอะไรถ้ามีผู้ถามเนี่ยนะพระองค์แสดงอะไรพระองค์แสดงธรรมะในอสังคตะสังยุทธนี่นะแสดงพระธรรมที่ธรรมะที่สงบประงับดับธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอย่างในอสังคตะสังยุทธสังยุงยตตนิกายภิกษุทั้งหลาย ยกตัวอย่างนะว่าที่พระโมหะนี้มพิสูจน์ทั้งหลายเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงนะพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูุน์ตัแล้วสิ้นเราจะแสดงอสังคตะคือพระนิพานพิกูจนสังคตะคือธรรมะที่ดับสังคตะและทางคือข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงอสังคตะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อสังคตะเป็นไงนอสังคตะนะคือธรรมะ ที่ดับปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเป็นอย่างไรพิกษุทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี่เรียกว่าอาสังคตตาอสังคตตคือทำรรที่ตรัสรู้แล้วสิ้นราคะตรัสรู้แล้วสิ้นโทสะตรัสรู้แล้วสิ้นโมหะพิสษุทั้งหลายก็ทางที่จะทำให้ถึงอสังคตะเป็นไงข้อปฏิบัติที่ให้บรรลุพระนิพพานเนี่ยนะคืออะไรสมถะ นี้เรียกว่าทางที่จะให้ถึงอสังคะตะคำว่าสมถะก็คือสมาธิในองค์มรรคนะคือทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานคืออสังคตะดูก่อนพิสูนทั้งหลายอาสังคตะและทางที่ให้ถึงอสังคตะเราแสดงแล้วแกเธอทั้งหลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกิจอันใดอันศาสดา พ, พึงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์ พึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นอันเราอาศัยความอนุเคราะห์ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนพิสูุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพ่งอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายนา น, นก็บอกว่าสังคตะ อ, ะอะ่สังคตะคือพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สิ้นราคะเป็นธรรมที่สิ้นโทสะสิ้น โมหะส่วนทางที่จะทําให้ถึงอสังขตะก็คือสมถะก็คือสมถะในองมรคอะนะหมายถึงสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือคําว่าสมถะอมความไปถึงสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นอสังขตะเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงอสังขตะได้นี่นะ ผ์ก็บอกว่ากิจอันใดของที่ศาสดาสแสวงหาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์พึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราอาศัยความอนุเคราะห์ทำแล้วก็คือบอกแล้วนะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์บอกแล้วนะว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลที่เป็นสุดยอดเราได้บอกเธอแล้วบอกอะไรบอกอสังคตะและทางที่ทำให้ถึงอสังคตะ มันพระพิสุในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านก็มนสิการน้อมนึกด้วยน้อมนึกทำรรมีคาถาด้วยจิตทั้งปวงเนียโสดลงสดับ น, นะเพราะว่าสาระของคาสอนทั้งหมดอยู่อยู่ตรงนี้คืออสังขตะและทางที่ทำให้ถึงอสังขตะอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าทางที่ทำให้ถึงอสังขตะคืออะไรบ้างก็เรียกวิวปัสสนาก็เป็นทางที่ทำให้ถึงอสังขตะ สมาธิมีวิตกวิจาร์ก็เป็นทางให้ถึงอสังคตะสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์ก็เป็นทางที่ทําที่อสังคตะสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ก็<ค> e> เป็นทางที่ทําให้ถึงอสังคตะอันนี้หมายถึงสมาธิในระดับปฐมฌานเออเรียกว่าปฐมฌานโสดาปติมักเป็นต้นทุติยฌานโสดาปติมักตัตยฌานโสดาปติมักเนี่นะเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็น ทางที่ทําให้ถึงอสังคตานี่นะหรือว่าสุญญตสมาธินี่นะสมาธิที่เกิดพร้อมกับสุญญาตานุปัสนาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นทางให้ถึงอสังคตะอนิมิตตสมาธิอัปนิหิตตสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทางที่ทําให้ถึงอสังคตะอีกในหนึ่งก็บอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ก็เป็นทางให้ถึง อสังคตะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรม น, นะสังคตะอัปท า, านสี่อิทิบาสีอินทรียห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมีองค์แปดแต่ละอย่างสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าทางที่ทําให้ถึงอสังคตาเนี่ยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างทุกอย่างเหล่านั้นก็เป็นทางให้ถึงอสังคตะทั้งนั้นเลยเขาจึงเรียกว่าโพธิปัจจะธรรมธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดการ ตรสรู้ส่วนอสังคตเนี่ยนะเขามีชื่อหลายอย่างพระนิพพานเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะมีชื่อหลายอย่างเช่นอสังคตะอสังคตะทว น, นะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าธ ร, รมที่ดับสังคต ะ, ะเป็นธรรมที่เป็นอันตะอันตะแปลว่าที่สุดอันตะเนี่ยนะ หมายความว่าไม่ทําความยินดีด้วยอํานาจของตันหาก็ได้อันตะก็คือที่สุดเนี่ยหมายความว่าตันหาเนี่ยไม่ยินดีแล้วถ้าเกิดการตรัสรู้พระนิพพานตันหาก็ไม่ยินดีพระนิพพานอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอนนาสะวะซึ่งต่างจากสังคตะธรรมทั้งหลายสังคตะธรรมทั้งหลายเนี่เยเขาเรียกว่าอาสาสะวะสาสะวะนี่แปลว่าเป็นอารมณ์ของอาสะวะเป็นที่เพ่งเล็งของอาสะวะ แต่พระนิพพานนั้นเป็นอนาสะวะคืออาสะวะทั้งหลายไม่ต้องการหรือถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วจักสิ้นอาสะวะทั้งปวงพระนิพพานนั้นมีชื่อว่าสัจจะสัจจะก็แปลว่าจริงแท้จริงแท้นี่จริงแค่ไหนจริงระดับปรมัตทสัจจะเป็นความจริงที่สูงที่สุดเนี่ยนะขณะเดียวกันพระนิพพานนี้ชื่อว่าปาระ ปาระแปลว่าฝังฝนะังก็คือฝังวิวัตะไม่ใช่ฝังแห่งวตะนี่นะพระนิพานมีชื่อว่านิปุณะ น, น, นิปุณะละเอียดเป็นธรรมที่ละเอียดพระนิพานนี้เรียกว่าสุททศะเห็นได้ยากหรือเห็นได้ยากก็คือยากที่คนบุญน้อยที่จะได้เห็นพระนิพานนี้ก็อบอกว่าอัจฉระไม่ค่ําค่้าเป็นสิ่งที่ไม่แก่ พระนิพพานเนี่ยทุ瓦สังขารนี่อัตุวะใช่ไหมทุ瓦แปลว่าอะไรแน่นอนพระนิพพานนี่เป็นอทุวะขออภัยพระนิพพานนี่เป็นทุวะเป็นสิ่งที่แน่นอนพระนิพพานนี่ท่านบอกว่าอัปโลกินะแปลว่าไม่ยุบไม่สลายเป็นสิ่งที่ไม่ยุบเป็นสิ่งที่ไม่สลายพระนิพพานนี้เราอัทัสนะไม่ใช่จะใช้ตาเนื้อมองดู ไม่ใช่ว่าลืมตาทำตาปริบๆแล้วจะเห็นได้พระนิพานแค่ว่านิปปปัญจะเพราะเป็นตัดกิเลสเครื่องเนิ่นช้าอย่างอะไรนันในไม่เนิ่นช้าเป็นแป บ, บประการใช่ไหมว่าผู้ที่จะตรัสรู้โลกุตายได้เนี่ยนะเป็นคนที่มีความมักน้อยเป็นที่มายินดีหมายความว่ายินดีในความมักน้อยไม่ใช่เป็นคนมากๆในปัจจัยสี่เป็นธรรมะของผู้ที่วิเวก เป็นธรรมะของผู้ที่สันโดษเป็นธรรมะที่ปรารบความเพียร น, น, นะเป็นของผู้ที่มีสติตั้งมั่นเป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นของผู้มีปัญญาขณะเดียวกันโลกุตระธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นของผู้มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดียินดีในความไม่เนิ่นช้าสังขารธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความ เนื่นช้าอ่ะสังคตะธรรมนี้ทําให้ไม่เนื่นช้าผู้ที่ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยนะจะต้องยินดีในการเจริญโพธิปัฏฐิธรรมแล้วก็มีใจน้อมไปในวิเวกคือพระนิพพานดังกล่าวไปดันั้นพระนิพพานนั้นจึงเรียกว่านิ ป, ปปัญจะไม่มีเครื่องเนื่นช้าคือกิเลส ต, ตัณหาเป็นสิ่งที่กําจัดธรรมที่ทําให้เนื่นช้าได้หมดเลย พระนิพพานท่านบอกว่าสันตะสันตะกับสันติก็หมายถึงเป็นธรรมที่สงบเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบจริงๆพระนิพพานนั้นท่านบอกว่าเป็นอมตะถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วทําให้ไม่ตายเพราะสภาวะของนิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายพระนิพพานนิปนีตะปณีตะประณีนะปเป็นสิ่งที่ประณีก็คือสูงสุดละเอียดอ่อนเนี่ยนะ สิวะเป็นสิ่งที่เกษเมหรือเยือกเย็นพระนิพานนี่เขมังเขได้นะเขมังเขมะแปลว่าอะไรเขมะปลอดภัยนะกษเมก็คือเขมังก็ตรงกันข้ามกับพยังภัยนี่มันน่ากลัวใช่ไหมพระนิพานไม่น่ากลัวเพราะพระนินพนธ์ถ้าตรัสรู้และปราศจากอันตรายพระนิพานท่านบอกว่าตันหักขยะเป็นที่สิ้นตันหา นะหักตันหาได้หมดเลยเหมอยนกันพระนิพพานนี้เรียกว่าอัจฉริยะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ควรแก่การตบมือให้เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยนะเรียกว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยะเนี่ยนะพระนิพพานนี้เรียกว่าอัพอพุตะอัพพุตะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีขึ้นเลยอะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นอยู่แบบสังขารธรรมทั้งหลาย พระนิพานนี้อนีติกะว่งงา้นอนีติกะเพราะเป็นสิ่งที่ปราศจากทุกข์พระนิพานนี้ชื่อว่านิพานเพราะว่าไม่มีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัตนิวานะนิพานมาจากคําว่านิวานะนิแปลว่าไม่มีวานะก็คือเครื่องร้อยรัตนิพานนั้นปราศจากตัณหาเครื่องร้อยรัตนิพานชื่อว่าอัพยาปชะอัพยาบาทะนะไม่เบียดเบียน เพราะว่าสภาวะแห่งนิพานเนี่ยผู้ที่ตรัสรู้แล้วเลิกปัทุสายทางใจงกันนะเลิกเบียดเบียนสัทีนิพานนั้นบอกว่าวิราคะคือเป็นธรรมที่คลายกำหนัดพระนิพานเนี่ยสุดทีเพราะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มุติเป็นธรรมที่หลัวสมควรที่จะเป็นที่ายในเบื้องหน้าอันนะอนธรรมที่ตัดอะไรเสียได้ ทีปะเป็นที่พึ่งหรือเป็นเกาะเป็นเกาะ เ, เ, เป็นที่พึ่งเนี่ยนะเลนะเรียกว่าพักพิงได้เนี่ยนะอาศัยพักพิงได้หรือถ้ามีปัญหาเหมือนกับว่าเป็นที่หลบซ่อนได้พึ่งได้จริงแล้วก็ตานะตานะก็คือที่ต้านทานสามารถต้านทานภัยได้สรณะนี่แหละเรียกว่าที่พึ่งอันกเกษมและสูงสุดปรายณะก็คือเป็นที่ไปในเบื้องหน้า นั้นพระนิพพานเหล่านี้ถือว่าสมควรที่จะเป็นที่ายในเบื้องหน้าอันนะลักษณะนั้นเรียกว่าพระนิพพานส่วนข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงพระนิพพานก็คือโพธิปัจจะธรรมทั้งหลายโพธิปัจจะธรรมทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงพระนิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระนิพานพา น, พ, า น, พ, า น, พ, านพร้อมทั้งพร้อมทั้งข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงพระนิพพานดังกล่าวไปพระพิสูจน์เหล่านั้นท่านบอกว่าเงี้ยโสดลงฟังธรรม ในหน้า720พระองค์บอกว่าภิกษุลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าฐานะที่บุคคลเห็นได้ยากชื่อว่านิพันธ์นิพันธ์ น, น, นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัณหาเห็นยากในะ้ความสิ้นตัณหาเนี่ยนะแม้เรียกว่าเราคิดง่ายๆนะสมมติถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ทำให้เราเลิกต้องการได้เนี่ยสิ่งนั้นจจะจะเอาอะไรมาให้เลิกอยากสิ่งนั้นได้ถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องการที่สุดอยากได้ที่สุดถ้าเราได้สิ่งนั้นปั๊บเราเลิกต้องการแบบนี้อีกเลยไอสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนอ่ะถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะสมมติถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนนะถ้าพูดแบบเด็กๆหน่อยนะอยากจะไปอยากจะไปอยากจะไปแล้วถ้าเราได้ได้อะไรจึงจะเลิอกอยากไปที่นั้นได้อ่ะ วะนะหรือไม่อยากได้อะไรสักอย่างเอาอยากได้อะไรดีเราหิวข้าวที่สุดเลยนะต้องการที่สุดแล้วรู้อะไรเราจึงจะเลิกหิวข้าวได้เอาไม่ต้องการข้าวอีกเลยอะ่ะสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนฉั้นใดก็ดีในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราหยหาต้องการมีจิตใจหมกมุ่นครุ่นคิดต้องการอะไรอาวรนแต่พอรู้สิ่งนี้ปั๊บเลิอกอะไรอาวรเลยอะ่ะ อย่างที่ที่สมัยพุทธ ก, กาลเนี่ยนะกำลังคิดถึงลูกอยู่ดีๆเนี่ยลูกที่เพิ่งตายจากไปเนี่ยพอได้ตรัสรู้นิพพานเลยเลิกร้องไห้เลยเนะเลิอกอาไลยเลิอกอาวอนเลิกติดเลิกข้องเลิกเลิกเศร้าหมองทันทีเลยพอตรัสรู้พระนิพพานเลิกโศกเลยว่างั้นเป็นธรรมะที่กำจัดความโศกได้โศกอยู่ดีๆเนี่ยนะหายโศก ต้องการที่เรียกว่าไม่ได้สิ่งนี้เหมือนว่าจะตายแน่พอตรัสรู้สิ่งนี้ปั๊บเลิกต้องการเลยเออสิ่งเนี้ยเห็นได้ยากขนาดไหนท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากเห็นยากเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่เคยทําบุญมาเนี่ยก็ยากที่จะรู้ได้ขณะเดียวกันเนี่ยใจก็เศร้ามองมานานแล้วก็เลยยากที่จะได้ตรัสรู้สิ่งนี้คือนิพพานเป็นธรรมที่ไม่มีตัณหาพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่จริงแท้ จริงแท้ถ้าสิ่งนี้ไม่จริงไม่แท้ใช่ไหมผู้ใดตรัสรู้ไ ด, ได้แต่เนื่องจากเป็นสิ่งที่จริงแท้สองเจ้าทุกพระองค์ท่านก็ตรัสรู้สิ่งนี้ถ้าไม่ตรัสรู้สิ่งนี้พระพุทธเจ้าจะมีในโลกได้ไหมก็มีไม่ได้แต่ก็เห็นได้ไม่ได้แต่ไม่เห็นได้โดยง่ายเลยไม่ง่ายเนาะถ้า ง, ง่ายก็าศาสนาเสื่อมไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์เดียวองค์แรกพอแล้วที่เหลือคนจะตรัสรู้ตลอดการและ ตลอดไปเมื่อคืนนี้ฟังคงเข้าใจแล้วว่ายากที่จะมีพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวในโลกบางอาสงไขยมีพระพุทธเจ้าแค่องค์เดียวใช่ไหมอย่างอาสงไขยที่หนึ่งมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้สี่องค์นะอสงไข่ที่สองกี่องค์องค์เดียวอสงไขยที่สามสา ม, ส, มสี่องค์เท่านั้นเองอสงไขยที่สี่ก็มีอีกสามองค์นะ ท, ที่ได้ตรสัสเท่าไหร่องนะ สี่องค์อสงไขยที่สององค์เดียวอสงไขยที่สี่องค์อสงไขยที่สี่ก็สามองค์แล้วก็ว่างอีกเป็นอสงไขยแสนกลับก็มีองค์เดียวทัานสรุปว่าผ่านมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยกว่ามาถึงองค์ปัจจุบันก็ยี่สบแดพระองค์เองสอสงไขยแสนกลับนะแต่สรุปไปยี่สิบสี่พระองค์ยี่สิบห้าพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันก็ถือว่าอขอโทษเาไทั้งหมดมียี่สดพระองค์เลยนะ ก็คือตรัสรู้เพิ่ง28พระองค์เองเนะเี่ที่ได้ตรัสรู้พระนิพพานที่ว่าเนี่ยนั้นเห็นได้ไม่ง่ายเลยแล้วก็ผู้ที่จะเปิดประตูทําให้ยังลงสู่ท่าคือพระนิพพานได้ก็คือพระพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาที่พระพุทธเจ้าเปิดเผยแนวทางเอาไว้ให้ยากที่จะได้ตรัสรู้นอกจากรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ หรือว่าเราไม่ต้องการตรัสรู้เขามีบอกเอ๊ะไม่เห็นจําเป็นเลยเขาบอกงั้นก็ต้งมีคําถามว่าจําเป็นต้องกําจัดความโศกไหมจําเป็นต้องกําจัดความทุกข์ไหมจําเป็นที่จะต้องไปนรกไหมจําเป็นไหมจําเป็นต้องเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดรฉานเป็นต้นไหมถ้าไม่จําเป็นก็ต้องตรัสรู้เป็นธรรมที่เลิกพ้นเออทาให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้มันแนวทางที่จะทําให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้ก็คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ถ้าหากว่าเราบอกโอ้โหพระพุทธเจ้าเกินไปมั้งแล้วคนอื่นไม่รู้หรือคนอื่นก็น่าจะรู้ได้สิใช่ไหมอา้าวพระพุทธเจ้ารู้ได้คนอื่นก็รู้ได้สิทำไมต้องรอพระพุทธเจ้าด้วยละ่ะทาไมไม่ได้หรอกคนที่ไม่สั่งสมบุญมาตรัสรู้พระนิพพานอย่างที่ว่าไม่ได้หรอกหรือคนอื่นเนี่ยนะแน่ใจหรือว่าเขาตรัสรู้สิ่งเดียวกันกันกบ ทพระพุทธเจ้าสอนพรานเราต้องพยายามเทียบเคียงบ่อยๆนะอย่างใครที่ล่าการปฏิบัติเหลือเกินเนี่ยสนใจมากที่จะปฏิบัติมันก็ต้องดูว่าไอ้การปฏิบัตินิพานที่เราไปบรรลุกันเนี่ยนะหลายคนก็ผ่านยานมาหลายยานแล้วผ่านยาน16ปัจเจกขณะยานอะไรเกิดมาหมดเนี่ยนะก็มาดูว่าอันเดียวกันกับนิพานที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าถ้าอันเดียวกันก็ โ, โ ห, หน่าดีใจนะเห็นอยู่ถ้าไม่ใช่อันเดียวกัน แสดงว่าถึงคนละที่กันแล้วล่ะเนี่ยนะทำไมเรารู้แล้วทําไมยังโศกเท่าเดิมเนี่ยนะรู้แล้วก็ยังหนักใจเหมือนเดิมไอ้เมื่อก่อนยังไม่ได้ยานเหล่านี้ก็ดูท่าจะสบายใจอยู่ดีแต่ตอนหลังทําไมเครียดจังเลยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นจะต้องสอบสวนให้มันดีๆนั้นพระองค์บอกว่านิพพานเนี่ยสัจจะตัวนี้เนี่ยเป็นธรรมะที่จริงแท้แต่ก็ไม่เห็นได้โดยง่ายเลย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้วกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่หมายคําว่าถ้าแทงตลอดพระนิพพานแล้วเนี่ยนะเลิกกําจัดกิเลสเป็นเครื่องกังวลได้เด็ดขาดเพราะนั่นไอ้คําว่ากังวลในใจเนี่ยนะคือผู้ที่ตรัสรู้นิพพานเลิกมีอกุศลวิตกอันนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นมณีสิ่งที่โล่งใจที่สุดแล้วอะ่ะไม่มีอะไรต้องไม่สบายใจอีกแล้วไงไม่มีอะไรที่จะทําให้ ไม่สบายใจไม่มีอะไรที่จะทําให้ป่วยทางจิตวิญญาณได้เพราะถ้าถ้าตรัสรู้พระนิพพานนี่ยนะแบบพูดแบบชาวว่าไหนบอกว่ า, วาเป็นธรรมที่เลิกป่วยทางจิตวิญญาณเนี่ยนะเป็นจิตวิญญาณที่หายป่วยหายไขย้เพราะเป็นจิตวิญญาณที่สูงสุดวิญญาณระดับไหนวิญญาณระดับไหนที่ที่หายป่วยเลยอรหัตตมัคคาวิญญาณเนี่ยนะ อา้าวจิตมโนโมนะหัถยปัณระมณนะมนินว่าจะรู้สิ่งเหล่านี้มโนธาตมโนวิญญาณวิญญาณขันอันเดียวกันนั้นหมายถึงว่ามโนวิญญาณหรือวิญญาณระดับโสดาปฏิมัสสกาธาคามิมักอนาคามิมักอรหัตตมักและอรหัตตผลวิญญาณนั่นแหละจึงจะเลิกป่วยเลิกไข้สิ่งเหล่านี้รู้อะไรจึงจะเลิกป่วยเลิกไข้ก็เพราะว่าตรัสรู้พระนิพานนั้นพระนิพานเนี่ยเป็นฐานะที่เห็นได้ยาก เป็นธรรมที่ไม่มีตัญหาเป็นธรรมที่จริงแท้ไม่เห็นได้ง่ายบุคคลที่แทงตลอดอย่างนี้แล้วเนี่ยกำจัดกิเลสเครื่องกังวลแต่ว่าจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ก็สำหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นอารมณ์ของความรู้ <c oughs> มา ข, าดขาอดูข้อดูข้อความในอัตกถาตามลาดับบอกว่า พรงเปล่งอุทานนี้แสดงถึงภาวะที่พระนิพพานนี่เห็นได้ยากเพราะตามปกติเป็นคุณชาติที่ลึกซึ้งว่างั้นเน่ยเขาบอกว่าผู้ใดที่ตั้งใจที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยนะเหมือนตั้งโครงการว่าจะเอื้อมมือหยิบพวคกพรมอย่างเท้าอย่างไเขาเรียกว่าอย่างเท้าหย่อนลงส่วเวจีนะเรเขาบอกว่างั้ น, นต้องใช้ความอุตสาหะความตั้งใจจริงขนาดนั้นจริงจะได้นนะโครงการแบบอะไรนะ เอามือเหยียดพวกระพรมแสดงว่าโครงการใหญ่กว่าไปดวงจันทร์อีกนะต้องตั้งเป้าหมายมีวิธีการตั้งโครงการเอาไว้อย่างชัดเจนถ้าจะตรัสรู้พระนิพพานที่บอกว่าทุตสังก็คือพระนิพพานชื่อว่าเห็นได้ยากทำไมจึงเห็นยากเพราะใครใครไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยเครื่องปรุงคือยานที่ไม่เคยได้สั่งสมอบรมมา เพราะพระนิพพานมีสภาวะลึกซึ้งและเพราะมีสภาวะสุขุมละเอียดอย่างยิ่งจริงอะนะใครที่ไม่เคยสั่งสมบุญมาไม่เคยให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุพระนิพพานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญเนคขมะไม่อบรมปัญญาไม่มีวิรยิยะหรือไม่สั่งสมบุญบารมีมาไม่เคยตั้งความปรารถนามาจะบรรลุนิพพานได้ไหม ไม่ได้พรานถ้าหากว่าพระนิพพานบรรลุ ก, กันได้ทุกคนถ้าบรรลุ ก, กันได้ทุกคนจริงจะมีอภั พ, พสัตว์ไหมจะมีพวกประเภทพวกสัตว์ที่เป็นพวกอาภัพมีไหมไ ม, ไม่มีแต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตรัสรู้ได้ทุกคนอย่างเขามายัางเคยคิดในใจเลยนะทําไมพระพุทธเจ้าไม่เส ก, ก น, นะไม่เนรมิตให้คนเนี่ยมารวมกันเลยหรือไม่ก็เอาแบบพระโมคคัลลานะท่านว่า ข้าพระองค์จะเอาสัตว์ทั้งหมดนี่ยอยู่ในฝ่ามืออีกข้างหนึ่งพระเจ้าข่าแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งพลิกแผ่นดินเพื่อจะเอางนดินมาให้ภิกษุฉันนะคือจะในรมิตแผ่นดินเนี่่เเทวเหมือนฝ่ามือเนี่ยแผ่นดินทั้งหมดเหมือนอยู่ในฝ่ามือหมดเลยทําไมไม่เอาสัตว์มารวมกันให้หมดหรืออีกในหนึ่งทําไมพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดยุคนี้ยุคข่าวสารข้อมูลประกาศทีเดียวก็กระจายไปทั่วโลกทันทีเลยเรียกว่าอะไรนะผ่านดาวเทียมใช่ไหม แ็เรียกว่าถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมประกาศปลาัยทีเดียวกระหึ่มไปทั่วโลกทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมเพราที่จริงไอ้ทั่วโลกอย่างทุกวันที่จริงๆก็ถือว่าน้อยมากนะสมัยพุทธกาลใหญ่กว่านี้เยอะตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่นะแต่สรุปว่าทำไมพระองค์จึงไม่เนรมิตเอาคนมารวมกันแล้วพูดทีเดียวจบเลยไม่ต้องไปเดินเผยแพร่ให้มันเหนื่อยให้มันยาก พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าอินทรีย์เนี่ยยิ่งเมื่อใดหย่อนอย่างไรแล้วก็ถ้าเขายิ่งลดยังไงถ้าเขาหย่อนเพิ่มยังไงขึ้นมาให้ให้เหมาะสมให้พอดีเนี่ยนะพระองค์เนี่ยรู้แล้วใครที่สั่งสมอินทรีย์มาไม่สั่งสมอินทรีย์มาเนี่ยพระองค์รู้อีกเมื่อพระองค์รู้เนี่ยจึงจึงต้องแยกสอนค่อยๆ แ, แยกแสดง จึงไม่สามารถเอามารวมตัวกันขึ้นลักษณะแบบเสกเป่าเนี่ยนะไม่เหมือนกับเป่าอะไรเอามานะทุกคนมานั่งจับสายศีลซะเป่าพ่วงเดียวรวบเรียบร้อยเลยทีเดียวอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นทั้นเป็นการรอดูความอรอดูอินทรีย์ที่เข้าประจวบเหมาะสมำเสมอแล้วประกาศอริยสัจไปเขาจึงจักเข้าใจและตรัสรู้ได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพวกกาลัำยูบุคคลรู้เวลาที่เหมาะที่สมและ สมควรเนี่ยนะขนาดยาในโลกเขายังมีเวลาเวลารับประทานเลยใช่ไหมอายาประเภทนี้ก่อนอาหารนี้หลังอาหารทําไมไม่รวดเดียวเลยสกัดเม็ดเดียวนะเขาบอกว่าก็ยังมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยที่บางท่านพยายามจะวิจัยยาแคปซูลเดียวรักษาทุกโรคแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเนี่ยนะไม่มีทางประสบความสําเร็จด้วยนี่ก็เหมือนการพระนิพพานเหล่านี้เนี่ยที่จะประกาศให้ ให้รู้ได้เนี่ยถ้าคนไม่สะสมบุญมาเนี่ยนะยากที่จะรู้เขาบอกว่าบรรลุเลยให้นั่งฟังเรื่องนิพพานให้มันจบเนี่ยยังฟังไม่ได้เลยบางคนเนี่ยนะไม่รู้พอได้ยินคําเหล่านี้มันง่วงสุดๆเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่ทราบบอกว่าแต่เขาบอกว่าหยุดปั๊บเนี่ยทาไมมันสว่างสวัยไปหมดเลยมันตื่นตัวซึ่งต่างจากคนที่สะสมบุญมาเนี่ยนะพออยู่ธรรมดาเนี่ยซึมๆแต่พอได้ยินคําว่านิพพานหรือข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานเนี่ยนะตื่นขึ้นมาทันทีเลย อันนี้ลักษณะคนที่สั่งสมกับไม่สั่งสมมามันต่างกันลักษณะนี้พันพระองค์บอกว่ามาคันธิยะท่านไม่มีปัญญาจักสุอันเป็นอริยะที่เป็นเหตุให้รู้ความไม่มีโรคทั้งเป็นเครื่องให้เห็นพระนิพพานอันพระนิพพานนี่จะต้องอาศัยอริยะจักสุใช่ไหม อะจักคุ้งอุทะปาทิยาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโลโกอุทธาปาทิเนี่ยนะจักสุปัญญาญาณนะวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวันนี้ทุกขนิโรธทุกขนิโรธควรทําให้แจ้งทุกขนิโรธเราก็ทําให้แจ้งแล้วอันนี้เรียกว่าอริยะจักสุที่ทําให้แทงตลอดพระนิพพานถ้าไม่ได้สังสมปัญญาจักสุมาจริงๆก็ยากที่จะ ตรัสรได้ทีนี้ปัญญาจักสุธรรมะจักสุก็คือสัมมาทิฐิในขณะอริยมรรคนั่นเองสัมมาทิฏฐิมีทั้งหมดเท่าไหร่สัมมาทิฏฐินะหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฐิสองวิปัสนาสัมมาทิฐิสาฌานสัมมาทิฐิสวิปัสนาว่าไปยังอ่าว่าไปแล้วนะกรรมสกตาฌานวิปัสนามรรคผล สัมมาทิฏฐิและก็ปัจเจกขณะยานสัมมาทิฏฐิเพราะถ้าไม่มีเอ่อตัวที่เห็นพระนิพพานเนี่ยคือตัวมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีกรรมมสกรตาสัมมาทิฏฐิไม่มีฌานสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิเกิดไม่ได้สมถาวิปัสสนาไม่เป็นไปอย่างควบคู่กันไปเนี่ยนะจะตรัสรูพ้พระนิพพานไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยทำไมปัญญาทั้งหลายไม่เกิดกันเขาบอกว่าป่วยมานาน ป่วยมานานเลยปัญญาเลยไม่เกิดเลยว่าเพราะนี่วร์เป็นเครื่องทำใจให้ทุรพลเหมือนกันทำให้สภาพจิตนี่หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังเนยนะที่จริงเนี่ยโดยมากนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยป่วยทางความคิดถ้าหากว่าถ้าสุขภาพจิตดีๆแล้วจะรู้ว่าโอ้โหก่อนหน้านี้เราป่วยมาตลอดช่วงใดที่เรากุศลเจริญเต็มที่สุขภาพจิตดีเยี่ยมจิตเบาอ่อนคล่องควรแกการงาน จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ่ะนะถ้าเจริญได้ถึงสภาพนั้นจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เราป่วยมาตลอดเลยเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าที่เขาบอกว่าอะไรนะคนที่ที่ป่วยมานานเนี่ยนะพอหายป่วยจึงรู้ว่าอ๋อก่อนหน้านี้เราป่วยมาตลอดเลยเะนั้นเราหลายท่านอาจจะป่วยจนไม่รู้ตัวว่าป่วยคิดว่ารับสภาพเสร็จแล้วยอมรับเสร็จแล้วแต่ไม่อย่างนั้นหรอกเนาะนะยังเชื่อว่าเอ้ยนี่ป่วยอยู่นะป่วยอยู่นะคําสอนพระพุทธเจ้านี่ทําให้หายป่วยอย่างนั้น แล้วพระองค์ก็ตรัสอยู่ว่าสภาวะของพระนิพพานเนี่ยเห็นยากอย่างที่พระองค์ตรัสว่าฐานะแม้เช่นนี้คือความสงบแห่งสัพพะสังขารเห็นได้ยากก็จริงๆนะความสงบที่จะทําให้ไม่เกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสังสารทุกข์กวัตถทุกขเนี่ยนะสิ่งนี้บอกว่าเห็นได้ยากแต่สิ่งที่เห็นได้ยากเนี่ยนะตอนนี้เราบอกอเห็นยากเห็นยากก็อย่าไปเห็นมันเลยไหนๆก็ยากแล้วทำไงดี สมมติฐานะที่เป็นจริงตอนนี้นะเราฟังสรุปแล้วเข้าใจยากเหมือนั้นเถอะเข้าใจยังจะยากตกลงทําไงดีก็บอกว่าวิธีการก็คือมีอยู่ว่าเจริญกุศลธรรมใดๆก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าการให้ทานอันนี้นี่นะให้ทานอะไรก็ช่างเถอะดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟบอกว่าด้วยกุศลเจตนาเหล่านี้จงเป็นสะพานเป็นบันได เพื่อให้เอื้อมถึงตรัสรู้พระนิพพานด้วยเถอะรักษาศีลก็เหมือนกันนะกุศลศีลที่เกิดจากเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นก็ตั้งแบบขอกุศลธรรมเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเพื่อให้แทงตลอดพระนิพพานด้วยเถอะฟังธรรมในทุกสูตรขอความเข้าใจในพระธรรมเหล่านี้เข้าใจเล็กเข้าใจน้อยเข้าใจมากขนาดไหนก็ตามขอความเข้าใจเหล่านี้ความรู้เหล่านี้ปัญญาเหล่านี้จงเป็นสะพานเพื่อให้ แทงตลอดพระนิพพานด้วยเถอะมันก็ต้องขยันตั้งแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเอื้อมไปบ่อยๆบ่อยๆก็เป็นเหตุให้ตรัสรู้ได้อันนี้แหละเป็นการสั่งสมบุญมาถึงชาตินี้ยังไม่ตรัสรู้แต่ต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเราสั่งสมอุปนิสัยไว้ในที่สุดเราก็ตรัสรู้ตามอันนี้เป็นลักษณะของประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะโดยทั่วๆไปนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้า แปลว่าในขณะเดียวกันทุกครั้งเราควรตั้งไว้เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งทุกครั้งเพราะการให้ทานการรักษาศีลยังไงก็เป็นทางแห่งสุขติอยู่แล้วโลกนี้ก็มีความสุขโลกหน้าก็ไม่เดือดร้อนการเจริญกุศลทุกอย่างเนี่ยนะถ้าทําความเข้าใจให้ดีๆมีปัญญาประกอบกุศลเหล่านั้นเป็นเหตุให้เจริญโลกนี้และโลกหน้าแต่น้อยนักที่จะตั้งเอากุศลเหล่านี้เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะประโยชน์คือความดับทุกประโยชน์คือความ สิ้นทุกเนี่ยนะขอบุญเหล่านี้ปัญญาอักษรเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยให้เกิดอริยมรรคอ น, นะให้อริยมรรคเกิดประชมการตรัสรู้พระนิพพานหรือไม่กล้าตั้งเอ็มเป็นยังไงนะสิ่งเหล่านั้นนะเนะี่ยซ่องมาค่อยๆทําความเข้าใจตั้งเป้าหมายด้วยแล้วค่อยๆทําความเข้าใจไปด้วยเป้าหมายของเราจึงจะชัดเจนถ้าหากว่าเรายังเข้าใจไม่ชัดเจนเนี่ยนะก็เหมือนกับว่า วันนี้จะออกจากบ้านเขาออกว่าไปภูเขาทองไง น, นะก็เขาว่าภูเขาทองไอ้ภูเขาทองมันเป็นยังไงถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติมมเราเป็นคนต่างประเทศมาเลยนะเนี่ยก็มาเดินตุ่มเตี้ยมอยู่เนี่ยชานเมืองกรุงเทพเนี่ย น, นะเขาว่าจะไปภูเขาทองเนี่ยถนนมันมากมายเท่านี้จะไปยังไงท่านต้องทาความเข้าใจชัดเจนว่าภูเขาทองอยู่ที่ไหนตำแหน่งตรงไหนของกรุงเทพแล้วตอนนี้เราอยู่นะ จุดใดแล้วเส้นทางที่จะไปมีกี่เส้นนั้นก็มาขีดนต้องร่างแผนที่ในใจได้ก่อนใช่ไหมถ้าเขียนแผนที่ในใจไม่ได้นะหรือลำดับเส้นทางที่จะไปในในใจไม่ได้เป็นไปได้ไหมที่จะถึงภูเขาทองอาจไปเกือบถึงภูเขาทองแล้วหันหลังกลับแบบชนิดที่เรียกว่า <c oughs> ห่างไปเรื่อยๆก็ได้ชั้นใดการเจริญกุศลธรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อแทงตลอดอริยสัจตรัส ร, รพระนิพพานก็ ลักษณะเดียวกันพยายามทําความเข้าใจให้ชัดเจนถ้าในใจของเราเข้าใจไม่ชัดตั้งกับฟังตั้งกับเรียนตั้งกับตรึกตั้งแต่การพิจารณาถ้าเข้าใจไม่ชัดนะอย่ารีบทําอะไรเลยเพราะยิ่งทํายิ่งไกลเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับความเข้าใจของเราอาจจะคนละอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าทำมังสารานางังฆะฉามิานะหรือพูดทางทำมังสังคงังสารานางังฆะฉามิก็บอกว่าเราต้องอ่อนไปหา พระรัตนตรยัยไม่ใช่ให้พระรัตนตรัยโอนมาหาเรานะสมัยใหม่ก็บอกว่าเออถ้าทำหน้าจะง่ายๆหน่อยนะเขาบอกงั้นจะได้เรียนกันได้ทุกคนจะได้บรรลุกันได้ทุกคนาศาสนาจะได้ไม่เสื่อมนะก็ก็ถ้าของง่ายนั้นก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะแต่ก็ยังไงก็ถึงจะยากก็ตามสรุปว่าเราอยากได้ของยากหรืออยากได้ของง่ายๆเนี่ยนะนะก็ตามใจกันแล้วกัน พระนิพพานนี่ชื่อว่าอานะนตังอนะนตังนะทานะตะนะตังนะตะเนี่ยนะเป็นชื่อของตันหาหน้าเจ็ดร้ยี่สิบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะจะเห็นว่าณนะตะเนี่ยเป็นชื่อของตันหาตันหาที่ชื่อว่าณตะเนี่ยแปลว่าน้อมไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้นณนะตะกับ น, นะมะมันคล้ายๆกัน น, นะนะมันโอนไปหา โอนไปหาอะไรโอนไปหารูปตันหาลักษณะของตันหาโอนไปหารูปโอนไปหาเสียงหรือน้อมไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโทธาพนี่มันเองไปอย่างนั้นแหละเหมือนกับน้ำที่มันลาดลุ่มไปทางที่ที่ต่ำกว่านีนะ่น้ำเนี่ยจะไหลไปในทางที่ต่ำกว่าชั้นใดตันหาก็ลักษณะนั้นนะ่ะน้อมไปเพื่อที่จะรับรู้อารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสขณะที่ตัหาน้อมไปในรูปเชื่อไหม มันน้อมไปในพบใหม่ด้วยมันทํากิจสองอย่างพร้อมกันเลยรับอารมณ์เฉพาะหน้าสร้างโครงการวัตตะเออสร้างอะไรนะสร้างพบใหม่อนะเพลดิดเพลินในสีสวยๆแต่ตัวมันเองเนี่ยเขาเรียกว่าทํางานประกอบงานเพื่อให้มีพบใหม่เรียบร้อยแล้วเพลินในเสียงปั๊บนะเราได้ยินเสียงบอกโอ้เสียงนี้เพลาะเหลือเกินอ่านะอันเนี้ยเพลาะก็เพลาะไปแต่ว่าภารกิจอันหนึ่งคือ เรีว่าสร้างภพใหม่เรียบร้อยแล้วนะเพลิดเพลินในกลิ่นในรสในโพธาภะในทุกทวารทุกอารมณ์ด้วยนะขณะที่เพลิดเพลินสิ่งเหล่านั้นอยู่ภารกิจอันหนึ่งคือสร้างภพใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะก็บอกว่าถ้าถ้าใครที่เข้าใจอะไรดีๆนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันมีผลต่อไปข้างหน้าทั้งหมดใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรบั่งที่มันหยุดอยู่แค่เฉพาะหน้ามีไหมในโลกนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วหยุดอยู่แค่เฉพาะหน้าไม่มีผลพวงอะไรต่อไปเลย ไม่มีฉันใดตันหาก็เหมือนกันอย่าคิดว่าความชอบใดความชอบสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นแล้วจะหยุดอยู่แค่แค่นั้นเพราะในที่สุดความชอบใจอันนั้นนั่นแหละขณะนั้นเนี่ยได้ทากิจโยงไปสู่พบใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะเราตายเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้เกิดในพบใหม่แต่ที่แน่ๆว่าเกิดเป็นอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งน น, นก็สุดแท้แต่ว่ากรรมที่นาเกิดเพราะตันหานี่เป็นเหมือนกับอะไรนะ ยางเหนียวที่เชื่อมเยื่อใหญ่ที่ต่อไว้จากพบกับพบต่อไว้จากกําเนิดสู่กําเนิดต่อไว้ในคันสู่คันเป็นต้นนะก็ก็แต่ว่าสุดแท้แต่ว่าใครจะมองชีวิตกี่กี่บางอย่างที่ว่าบางคนก็มองชีวิตอยู่แค่ไม่กี่วันน่ยนะบางคนก็มองชีวิตอยู่ปีสองปีบางคนก็มองชีวิตอยู่สี่หปีบางคนก็มองสักสิบปี ดูเหมือนฉลาดนะสิปีเนี่ยนะคิดอะไรล่วงหน้าเนี่ยคำนวณไว้ตั้งสิปีนี่ถือว่าเก่งมากแล้วใช่ไหมยีป่ปีบางคนก็เก่งมากคิดจนถึงวันตายโอ้ก็ถือว่าคิดยาวเลยนะคิดถึงวันตายแต่นั่นนะนะภาษาธรรมะท่านบอกว่าคนที่มองชีวิตแค่จากนี้ไปแค่ตายนะคนมีตาข้างเดียวแต่ถ้าหากว่ามองเลยไปหาชาติหน้าลหลายๆชาติได้แค่ว่ามีตาสองข้างนั้นเห็นข้างหนึ่งนะเขาบอกว่ า, วาตาข้างหนึ่งตาข้างซ้ายเห็นชีวิตโลกนี้แหะ ตาข้างขวามองเห็นชีวิตโลกหน้าอันนี้เรียกว่าคนมีตานะหมายความว่ามีตาข้างซ้ายก็สามารถเป็นเหตุให้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ในภพนี้ถ้ามีตาข้างขวาก็คือมองเลยไปถึงภพหน้าด้วยมันก็บอกว่าอะไรนะรถมันยังมไไีไฟสูงกับไฟต่ำชั้นใดใช่ไหมตาของเราเนี่ยทำไมมันอะไรนะก้มได้เงยได้นะเรียกว่าเหลื อ, อขึ้น อ, อะไรนะ แรขึ้นและเหลือบขึ้นเหลือบลงได้นะชันใดก็ดีถ้าเรามองชีวิตถ้าไม่มองชีวิตชาตินี้ชาติหน้าแล้วมองไปหลายๆชาติแล้วไอตัวที่นําไปสู่หลายๆชาตินี่คืออะไรก็บอกว่านี่ณตตะตัวนี้ตันหาชีวา่าณตะนี่แหละมันเป็นตัวเอื้อมพาไปนะพาไปจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าตันหาตัวนี้เนี่ยนะพาวะที่น้อมไปในอารมณ์และก็น้อมไปในกามะภพรูปะภพอรูปะภพเป็นต้น มันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่น้อมไปนะอย่างเราเราทั้งหลายที่น้อมไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ก็เนื่องจากตันหานี่แหละมันพานน้อมไปนะผานน้อมไปให้เพลิดเพลินในอารมณ์ตันหานี่แหละเป็นตัวพาให้น้อมไปสู่การเกิดในพบใหม่ต่อๆไปพระนิพพานถ้าผู้ใดตรัสรู้แล้วสิ้นตันหานิพพานอันนี้แหละเป็นอนาตตะแปลว่า ไม่เป็นที่ที่ทําให้สัตว์เนี่ยน้อมไปเลิกน้อมไปเพื่อจะจะไปสู่พบใหม่อีกต่อไปเนาะถ้าตรัสรู้นิพพานเนี่ยนะจะไม่น้อมไปเพื่อเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหกด้วยอำนาจตัณหาถ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานทําให้สิ้นการเกิดในพบใหม่อันพระนิพพานจึงชื่อว่าอีกชื่อหนึ่งนะอนัตต์เนี่ยแปลว่าพระนิพพานเนี่ยเว้นจากที่สุดก็ได้ เพราะอะไรนะตอนแรกบอกว่านิพพานคืออนัตตาหรืออันตังอาจารย์บางท่านบอกอ น, นันตังอ น, นันตานิพพานเนี่ยไม่มีที่สุดต่างจากชีวิตของเราทั้งหลายชีวิตของเรามีที่สุดไหมมีไหมมีมีชีวิตในชาตินี้มีความตายเป็นที่สุดแต่ตัณหาก็เชื่อมให้มีภพใหม่ถ้าเกิดในภพใหม่ที่สุดของภพนั้นก็คือความตายพันความตายคือที่สุดของ ทุกภพทุกภพทุกชาติไปพระนิพพานชื่อว่าอนันต์เพราะไม่มีที่สุดแบบนี้เพราะอะไรเพราะพระนิพพานไม่ตายพระนิพพานนั้นเป็นความดับสนิทเป็นอมตะเพราะเป็นเป็นสิ่งที่มีสภาวะอยู่อย่างแท้จริงแต่อะไรนะแบบมันจริงแท้แต่ไอความจริงอันนี้มันเป็นยังไงนะถ้าตั้งคาถา ม, ถามว่าศรัทธาเหลือเกินอยากจะบรรลุท่านช่วยเล่าเรื่องนิพพานให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไง มารู้บอกว่ามันเห็นยากเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดหรือว่าอะไรเนี่ยนะโอ้อธิบายยังก็สรุปว่าเข้าใจยากเหมือนเดิมนั่นเองทางว่าโอ๊ยพูดยังไงพูดสัก ง, งงหมดเลยเหมือนั้นทีแรกก็ทําท่าจะเข้าใจอยู่ดีๆนะเอาไปเอามาเลิกเข้าใจเลยนี่ก็ถ้าเข้าใจว่ายากนี่ก็ถือว่ายังปกติอยู่ ที่บอกว่าอีกชื่อหนึ่งเขาบอกว่าพระนิพพานเนี่ยเรียกว่าอับประมาณะก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีประมาณการที่สัตว์ทั้งหลายกระทําพระนิพพานอันหาปัจจัยไม่ได้ให้เกิดหมายคาะว่าจะปฏิบัติให้แทงตลอดพระนิพพานที่ไม่ได้ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่ทําง่ายเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยถูกกิเลสมีราคะเป็นต้นซึ่งทําปัญญาให้ทุรพลเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้ว คือหมายเขาว่าจริงๆแล้วนะพวกเราเนี่ยศรัทธาก็ป่วยมานานวิริยะก็ป่วยมานานสติก็ป่วยมานานสมาธิก็ป่วยมานานปัญญานี่ยิ่งหมดเรี่ยวหมดแรงเลยอ่อนกําลังมาหมดเลยเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะบรรลุพระนพานก็เหมือนกับว่าเป็นรถก็เป็นรถที่ว่าล้อก็ล้อเป็นยังไงล้อก็ขึ้นสนิมไปหมดแล้วนะพวงมาลัยก็หันไปได้ข้างเดียวคือหันออกนอกทางอย่างเงี้ยนะทําไงกันนี้ยอ่ะ น้ำมันก็ไม่มีโอ้โ oh. หอันนี้ยากแน่นอนมันก็ต้องซ่อมรถให้มันดีก่อนเถอะนี้ก็เหมือนกันซ่อมศรัทธาให้มันดีๆก่อนซ่อมวิริยะซ่อมสติซ่อมสมาธิแล้วก็ซ่อมปัญญาทําไมศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญามันจึงป่วยเลอะเกินเนี่ยนะทำยังไงก็เราว่าจะสร้างให้ยังไงสร้างภูมิยังไงให้มีพละกําลังให้แข็งแรงไม่ใช่ปวกเปียกนั่งซึมๆไปอย่างเนี้ยนะ บทว่านะฮิสัจจังสุทัศนังเนี่ยนะนี้พระองค์แสดงความนั้นแหละให้ปรากฏว่าสิ่งนี้เป็นสัจจะนะพระนิพพานเนี่ยที่พูดพูดไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงบางทีเนี่ยนะเขาบอกว่าในในพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งเขมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาบอกว่าเยี่ยมดีสวยประดีจริงๆอ่ะสรวลวัดงามมากเลยไอ้ที่ท่านว่ามันเป็นยังไงงามก็แล้วกัน ดีเยี่ยมอยู่ที่ไหนบอกงามมากอะไรสรุปว่าดีมากนะเขามีรัฐที่อันหนึ่งนะรัฐที่สมัยพุทธกาลเขามีอยู่รัฐที่หนึ่งดีจริงๆประเสริฐสิ่งนั้นอะประเสริฐงามมากสว่างในตัวมันเองเลยนะดีจริงๆเลยก็ถามว่าเอิมเป็นยังไงสรุปว่าดีก็แล้วกันนะถามมากก็บอกดีแล้วกันพระองค์ก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาบอกพ่อของเขาอ่ะนะบอกเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยอยู่ในชนบทหนึ่ง สวยจริงๆเลยเกิดมาไม่เคยเห็นคนสวยขนาดนี้เลยเขาเป็นใครสวยอยู่ที่ไหนสวยก็แล้วกันนะพ่ออายุเท่าไหร่สวยสวยมากเห็นไหมเป็นลูกใครสรุปว่าถามยังไงก็ได้แต่สวยอย่างเดียวฉันใดก็ดีบางลัทธิจะลักษณะนั้นน่ะ น, นะนี่ก็เหมือนการพระนิพพานเนี่ยที่พูดก็ไม่ใช่ว่า ส, สร้างจินตนาการมาหลอกลวงว่าดูดยมีอยู่จริงดีดีจริงๆเลยแม้ถ้าต่สรุ้สิ่งนี้แล้ว อันนี้ไม่ใช่ขายฝันเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่สิ่งนี้เป็นสัจจะเนี่ยนะเป็นสัจจะเป็นปรมาทสัจจะเป็นนิโร ธ, ธสัจจะสัจจะอันนี้มีอยู่จริงเนี่ยนะแต่ก็อย่าลืมว่าอริยสัจมีสี่ประการใช่ไหมทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรทุกสัจจะไม่เข้าใจสมุทัยสัจจะไม่รู้เรื่องเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าใจนิโรธสัจจะ พระองค์บอกว่าขนาดทุกขสัจจะสมุทยัยสัจจะกรรมและผลของกรรมยังไม่เข้าใจประวัติความเป็นไปในสังสารวัตรยังไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสังสารวัตจะเข้าใจได้อย่างไรเนี่ยนั้นพระนิพพานนั้นเป็นสัจจะเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงคําว่ามีอยู่จริงหมายความว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิปริตไม่ใช่เป็นสิ่งที่กุมาหลอกลวงนะ เพราะเป็นสภาวะที่สงบโดยจริงแท้ไม่มีสภาวะที่ไม่สงบตัวของพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบไม่ว่าจะเอาเหตุจะเอาอะไรมาอธิบายก็ช่างเถอะหรือไม่มีอะไรทําให้พระนิพพานกาเริบได้อันหนึ่งพระนิพพานเนี่ยท่านบอกว่าชื่อว่าไม่ใช่จะเห็นได้ง่ายคืออันใครใครไม่พึงเห็นได้โดยง่ายเพราะจะเห็นได้ จะเห็นได้พระนิพพานได้ต้องอาศัยอะไรบ้างรวบรวมบุญยสมภาระนะบุญยสมภานสัมภาระนะก็ต้อง ส, สะสมสัมภาระคือบุญและจะต้องสะสมสัมภาระคือญาณจะต้องอาศัยญาณจะต้องอาศัยบุญที่จเจริญมาตลอดกาลนานจึงจะบรรลุได้เพราะฉะนั้นพระนิพพานนั้นจึงบรรลุได้ยากอย่างที่พระองค์ก็บอกว่าพระนิพพานเนี่ยเราบรรลุได้ โดยยากแรกตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ว่าไงนะแรกตรัสรู้ใหม่ๆอ่ะนะพระองค์น้อมไปเพื่อจะสอนเลยใช่ไหมไม่น้อมไปเพื่อจะสอนเพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์ขนาดตัวพระองค์เองเนี่ยยังบรรลุยากนะเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วรกชัดด้วยราคะโทสะและโมหะพันการที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องยาก แล้วไอ้ความดับปฏิจจสมุปบาทจะยากขนาดไหนที่เรียกว่าจะเข้าใจอะไรนะวิธีสร้างนี้สินก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วไอ้ปัญหาแก่นี้สินจะแก้ได้ยังไงยังไงนันนะก็ถือว่าเป็นยากมากเพราะนิพานนะั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ยากแต่ความยากเหล่านี้ไม่ใช่เรียนไม่ได้ไม่ใช่ศึกษาไม่ได้ในสุตตมยญาณเนี่ยให้เรียนพระนนิพานเป็นเรื่องต้นๆเลยนะให้เรียนก่อนเลยให้พยายามทําความเข้าใจเป็นสิ่งแรกๆเลย ในสุตตมยญาณเนี่ยามี16หัวข้อใช่ไหมมีอะไรบ้างที่ที่เราจะต้องเรียนไว้ก่อนเลยมีอะไรบ้างหนึ่งอภินยยธรรมก็คืออริยสัจนั่นแหละสองปริญญ ย, ยธรรมก็คือทุกสัจนะปหาตประธรรมสมุทัยสัจสัชิกาตประธรรมนิโรสัจจะภาเวตปธรรมก็คือมรรสัจจะแล้วก็ให้เรียนถึงว่าอะไระถ้าเราจะเจริญมรรคเนี่ยนะเจริญ เจริญอริยมรรคเพื่อให้บรรลุพระนิพพานสิ่งที่เราเจริญอยู่มันใกล้ต่อความเสื่อมหรือเปล่าหรือดำรงอยู่หรือว่าเจริญขึ้นหรือเกือบบรรลุแล้วนี่เพเทภากยะเนี่ยนะและ้วนี้ทุกขสัจจะเป็นยังไงสมุตอขออภัยไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่และอย่างนั้นเป็นอย่างไรพันสุตมยะยางจะต้องฟังจนฟังจนปรับปรับความเข้าใจให้ดีๆเลยแหละ คือสรุปว่านิพพานเนี่ยอะไรมัง่งเห็นได้ยากแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ตัณหาไม่น้อมไปหรือไม่น้อมไปในตัณหาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงแล้วก็ไม่ใช่จะเห็นได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันนะท่านบอกว่าปฏิวิทธาตัณหาชาณะโตปัสตโตนัตถิกินจะนังความว่าหากนิโรสัจจานั้นอันผู้ตรัสรู้โดยสัจฉิกิริยาพิสมัยนะ การตรัสรู้เนี่ยอภิสมัยแปลว่าการตรัสรู้เนี่ยนะการตรัสรู้พระนิพพานหรือนิโรธสัจจานั้นต้องตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งพระนิพพานนั้นเป็นวิสัยนะวิสัยแปลว่าอารมณ์เพราะเป็นสิ่งที่รู้โดยอารมณ์นะโดยกิจนี่จะต้องทําให้แจ้งแต่โดยการตรัสรู้ต้องตรัสรู้โดยเป็นอารมณ์แต่ถ้าทุกขสัจเป็นยังไง ทุกขสัจจานั้นต้องตรัสรู้โดยอสัมโมหะคือไม่หลงงมงายแล้วก็ตรัสรู้โดยปริญญาพิสมัยะนะตรัสรู้โดยกิจทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนิโรสัจจะเท่านั้นที่ตรัสรู้โดยอารมณ์สมุทยัยทุกสมุทัยมักตรัสรู้โดยกิจ เานะขาเข้าแบ่งออกเป็น4ประการนี้ก่อนนะหนึ่งนิพานตรัสรู้โดยอารมณ์ทุกขสมุทัยมักตรัสรู้โดยกิจหรือโดยหน้าที่ทุกขตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยตรัสรู้ด้วยการละนิโรธตรัสรู้โดยการทําให้แจ้งมักตรัสรู้โดยเจริญพูดเป็นบาลีหน่อยก็บอกว่านิโรสัจจานิสัจฉิกิริยาพิสมัย ตรัสรู้โดยการทำให้แจ้งทุกขสัจจะเป็นปริญญาพิสมัยตรัสรู้โดยการรอบรู้มรรคสัจจะตรัสรู้โดยภาวนาพิสมัยเรียกว่าการเจริญสมุทยัทยสัจจะหรือตัญหาก็ต้องตรัสรู้ด้วยการปหานาพิสมัยนะแต่ก็เอามาเล่าให้ฟังสรุปนะตรงนั้นเขาแปลเข้าใจยากยาก เมื่อบุคคลรู้เห็นสัจจะสี่ด้วยปัญญาอันสัมปยุตด้วยอริยมตรตตามที่เป็นจริงอย่างนี้คือถ้าสามารถตรัสรู้ได้ตามนี้จริงตรัสรู้ทุกสัจจะด้วยปริญญาตรัสรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละตรัสรู้นิโรธสัจจะด้วยการทําให้แจ้งตรัสรูม้มรรคสัจจะด้วยการเจริญด้วยอนุภาพของอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมไม่มีตัณหาตัวตัณหาที่นําไปสู่ภพใหม่ในการมาพบเป็นต้น เมื่อตัณหาไม่มีกิเลสทั้งหมดก็เป็นอันไม่มีถ้าหากว่าเห็นอริยสัจละตัณหาได้นะกิเลสก็ดับหมดถ้ากิเลสดับกรรมจกเหลือไหมถ้าเมื่อสํารอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับสรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งสังสารทุกข ความดับแห่งวัตถุทุกเหล่านี้ก็ถือว่าจบสิ้นสทัทีไม่อย่างนั้นก็ต้องถูกแผ่นดินไว้ทุบทับตายอีกเยอะเลยนะอีกกี่ชาติเนาะแตถ้าไม่แทงตลอดอริยสัจนะอย่าคิดนะว่าเราจะไม่ถูกแผ่นดินถล่มแบบนั้นแต่ว่าชาติไหนอีกเรื่องหนึง่งแน่แน่ชาตินี้ก็ใครจะไปรู้ใช่มไหมมันอะไรเป็นเป็นตัวรับรองอะไรเป็นตัวที่แน่นอนได้บ้างสําหรับผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจธรรมเนี่ยนะ เพราะว่าผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจจะทำไม่บรรลุพระนิพพานที่ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ได้ไม่ได้มีอะไรแน่นอนเลยไม่มีอะไรยืนยันเขาบอกว่าธรรมะอย่างที่รู้กันนะแบ่งออกเป็นสามคํานึงนิยตาธรรมมาอานิยตาธรรมมาเขาเรียกว่าอะไรนะมิชตานิยตาธรรมมาสัมมตตนิยตาธรรมมากับอนิยตาธรรมราารนะมตตาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนี้เรียกว่าสัมมตานิยตาธรรมมาเป็นสิ่งที่แน่นอน แน่นอนโดยถูกต้องส่วนมิจฉาทิฐิก็แน่นอนเหมือนกันแต่แน่นอนโดยความไม่ถูกต้องด้วยความผิดพลาดส่วนที่เหลือจากนี้เป็นอนิยตาธรร ม, มาความแน่นอนนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างแน่นอนผิดกับแน่นอนถูกมิจฉาทิฐิทั้ททงหลายแน่นอนเหมือนกันแต่ว่าแบบผิดดิ่งแล้วก็แก้ไขไม่ได้สัมมาถถทิฐินี้ก็แน่นอนแต่ว่าถูกต้องมิจฉาทิฐิก็ไปแก้อะไรไม่ได้ สรุปนะว่ามิจฉาทิฐิก็แก้มิจฉาทิฐิยากสัมมาทิฐิก็แก้มิจฉาทิฐิยากสรุปว่าทั้งสองฝ่ายนี้ใครแก้ใครยากทั้งคู่อย่างสมมุติว่าครูทั้งหสมัยผู้จาการนะพระพุทธเจ้าไปแก้ง่ายไหมสรุปพระองค์แก้ไม่ได้เลยใช่ไหมเลยไม่ได้แก้เลยแล้วพวกครูทั้งหมาแก้พระพุทธเจ้าได้ไหมก็แก้ไม่ได้เพรานะนั่นอาจจะเรียกว่าแน่นอนแบบผิดกับแน่นอนแบบถูกต้องที่เหลือนะไม่แน่นอน ของเราเนี่ยถ้าไม่แน่นอนอย่างเงี้ยทำไงดีไม่แน่นอนเนี่ยแต่ในที่สุดมันจะน้อมไปเพื่อความแน่นอนมันจะน้อมไปเพื่อแน่นอนผิดหรือแน่นอนถูกไอ้ไม่แน่นอนเนี่ยแต่ว่าแนวโน้มมันไปเพื่อแน่นอนแน่นอนผิดหรือแน่นอนถูกตรงนั้นเองงหากเพราะบางคนเนี่ยนะถ้าหากว่ายังไม่แน่นอนแต่ว่ากำลังเดินทางไหลไปสู่ความแน่นอนคือผิดพลาดอันนผิดแน่นอนกับบางพวกเนี่ยไม่แน่นอนแต่กาลังเดินทางเพื่อความ แน่นอนที่ถูกต้องก็เราก็ดูเอาว่าถ้าเราเจริญไปบ่อยๆแนวโน้มมิจฉาทิฐิจะเกิดขึ้นบ่อยๆ อ, อันนั้นแสดงว่าแน่นอนที่จะผิดพลาดถ้าดาเนินไปแล้วแน่นอนที่จะถูกต้องอะไรเอ่ยเป็นเครื่องวัดอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเราเนี่ยกลังเดินทางถูกแน่นอนหรือว่าแนวโน้มผิดแน่นอนอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบดี อะไรเป็นเครื่องรับรองเครืพูดแบบนี้นะอะไรประกันความเสี่ยงพัวนี้ไหนนะก็ก็ก็เอาดูว่าหนึ่งนะคิดวิธีคิดง่า ย, ายๆเนี่ยถ้าเราแน่นอนเลยนะมาสวดอิติปิโสดูอ น, นะอระหังปลื้มเลยปีติสัมมาสัมพุทโธวิ ช, ชาจรณะสัมปันโนทุกบทเลยนะอิติปิโสเนี่ยพุทธคุณเก้าธรรมคุณหสังคคุณ9้เนี่ยมาไล่ดูหมดเลยนะ โอ้โหเลื่อมใสจริงๆมีแต่ว่าปริมาณศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าแนวโน้มแน่นอนถูกต้องอรหังก็ไม่สนใจสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตสุปฏิปันโนไม่เอาซ้ากลางอะนะถ้าตามนี้ก็แนวโน้มว่าถูกแน่นอนไม่กันแน่นอนแบบไม่ถูกต้องก็ก็ดูเอาว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ทุกคนเนี่ยถือว่าไม่แน่นอนแต่ว่าไม่แน่นอนอันนี้แนวโน้มเป็นแน่แน่ไม่แน่นอนแต่ว่า เดินกำลังเดินทางเพื่อความแนนอนแนนอนผิดหรือว่าแน่นอนว่าถูกก็ก็สอบสวนเอาทุกคนรับผิดชอบตัวเองใช่ไหมเชื่อไหมถ้าเราแน่นอนถ้าผิดหรือแน่นอนถูกก็ไม่มีใครแก้ไขอะไรเราได้อย่าคิดบอกโอ้ช่วยช่วยรับผิดชอบนะช่วยดูแลหน่อยนะช่วยบอกช่วยเตือนกันบ้างนะไอบอกเนี่ยบอกได้ประวัณาอย่างเงี้ยประวรณาได้เอาจิงแล้วไม่ได้ เพราะว่าถ้าใครมั่นใจอะไรสักอย่างอย่าไปคิดนะว่าจะทําให้เปลี่ยนความมั่นใจเปลี่ยนความแน่ใจของเขาเพราะเขาแน่ใจเต็มที่แล้วก็เอามาสอบสวนว่าแน่ใจนี่ถูกหรือผิดถ้าแน่ใจไปด้วยมรรคแแสดงว่าถูกถ้าแน่ใจตรงกันข้ามกับมรรคแดผิดก็มาไล่ดูว่าถ้าสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจ4ี่ประการอริยสัจสี่เราแค่ไหนก็มาลองดูนะกุศลสังกัปปะดีขึ้นไหมสัมมามาจาหรือมิจฉาวาจาสัมมากรรมตตาหรือ มิจากรรมันตะสัมมาอาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะสัมมาวายามะหรือมิจฉาวายามะสัมมาสติหรือมิจฉาสติสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิแล้วทั้งแปดอย่างนี้เป็นกระจายกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าแนวโน้มว่ากําลังแนวโน้มว่าประชมกันขึ้นเนี่ย น, นะก็ตัวนี้จะต้องมาไข่ครวญจะต้องมาสอบสวนจะต้องมาพยายามเทียบเคียง เอาคําสอนกับเอาใจของเราเนี่ยตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลาเอาคําสอนตรวจเรานะไม่ใช่เอาใจเราไปตรวจคําสอนบางคนเนี่ยเอาใจไปตรวจคําสอนก็เลยคําสอนนี่ต้องแก้ไขเขาว่ากันใครนันถูกควรจะถูกแก้ไขกันแน่ใช่ไห้ผ่ <c oughs> องพลนเนี่ยนะมีโครงการจะแก้ไขคําสอนเออดูสิถ้ามันมั่นใจขนาดนั้นแล้วนะก็มีไม่ใช่น้อยกลุ่มเลยที่ตั้งตนอยากจะปฏิวัติคําสอน แต่เชื่อถ้าใครปฏิวัติสําเร็จก็ทางใครก็ทางใครก็คือเขาถ้าเขาปฏิวัติคําสอนได้ก็เป็นคําสอนของลัทธิเข้าไปแล้วก็จะมีคําสอนของไม่รู้กี่ลัทธิสมัยนี้ถามว่าลัทธิเนี่ยมีกี่ลัทธิก็บอกว่าโหมากจนไม่รู้จะนับกันยังไงแล้วสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชก็มีประมาณสิบแปดนิกายแล้วนะสมัยนี้กี่หมื่นนิกายแล้วเขาบอกว่าก็เกือบโอ้ยไม่รู้กี่นิกายต่อ น, นิกายแล้วล่ะ มันของเรากลุ่มไหนก็ก็อย่างว่านะรุ่นรุ่นลูกกําพ้าทั้งหลายจะเป็นแบบนี้แหละอะไรนะพระพุทธเจ้าประดับขันประนิพานไปแล้วฝากไว้แต่คําสอนรุ่นพี่สอนน้องก็ดูเอากันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงก็อย่างว่านะย้ําอีกครั้งก็คือผู้มาด้วยกรรมของตนแล้วก็จะไปตามกรรมของตนเนี่ยนะแล้วมาสอบสวนดูว่ากรรมที่เราทําอยู่เนี่ยเรามั่นใจอย่างไร แต่ถ้าไม่มั่นใจเลยถ้าไม่มั่นใจเลยเนี่ยจะทำยังไงดีไม่มีความมั่นใจเลยเขาบอกว่าถ้าหากว่าส่วนตัวเข้ามาจึงกลับมาเรียนเนี่ยจริยาปิดอกคืนมาเรียนเสักมาเรียนพุทธวงศมาเรียนทําไมจึงมาเรียนจริยาปิดอกมาเรียนพุทธวงศเพื่อจะได้ทําความเข้าใจว่าอย่างจริยาปิดอกเนี่ยนะท่านตั้งความปรารถนาอะไรท่านต้องการอะไรกันแน่ ยางนี้ก็คือกลับมาเรียนเรื่องพระพุทธเจ้าคืนว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตเนี่ยนะตอนที่ท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องการอะไรแล้วท่านทำอะไร น, นะก็มาเรียนพุทธวงศ์อีกว่าท่านผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างประจบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนหน้านั้นไหมแล้วเมื่อท่านไปพบแล้วท่านไปทำอะไรท่านทำอย่างไรแล้วท่านใช้เวลาอย่างไรนานแค่ไหนจึงได้ ตรัสรู้แล้วท่านตรัสรู้อะไรเอาโจทย์เราเนี่ยมาถามให้เสร็จใช่ไหมเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านสอนอะไรแต่ละแห่งที่ท่านไปสอนน่ยสอนอะไรแล้วผู้ที่ถูกสอนเข้าบรรลุเข้าบรรลุอะไรเข้าบรรลุว่าอย่างไรแล้วคําสอนเหล่านั้นเนี่ยนะมีผู้บรรลุปริมาณเท่าไหร่แล้วการตรัสรู้เนี่ยนะมีผู้ใดตรัสรู้ตามหลังเหล่านั้นมาบ้างเนี่ยนะแล้ก็มาสอบสวนดูทั้งหมดนะนะก็โจทย์ดูถ้าไม่อย่างนั้นก็ อะไรนะคนที่ก้มดูแต่เท้าตัวเองเวลาเดินทางเนี่ยนะคนนั้นจะหลงทางในระยะไกลจริงอยู่เวลาเดินอยู่เฉพาะหน้าใช่ไหมถ้าก้าวเท้าอยู่สั้นๆเ น, นี่ยนะก้าวไปเรื่อยๆแล้วไม่ไม่ยอมเงยดูอะไรสักอย่างเลยนะคนเหล่านี้ระยะไกลเนี่ยหลงทางเพราะดูแต่เท้าตัวเองอ่ะนะไม่ยอมเหยียบน้ําใกล้ๆก็จริงแต่ว่าคนละทางเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อลองลองขับรถก็ดูแต่พวงมาลยัยก็ดูแต่ล้อข้างหน้าก็ดูแต่เลนที่เราจะไปก็พอแล้ว จะถึงไหนดีถึงที่เราไม่รู้จักลืมไปอีกครั้งไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ไม่รู้จักไปไหนนี่ก็เหมือนการพยายามเงยดูคำสอนหน่อยเธอถ้าเราไม่เงยดูคำสอนให้เข้าใจให้ชัดเจนเนี่ยเรานี่แหละจะรับผิดชอบตัวเราเองซึ่งปกติเราก็รับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วเนาะเคยสังเกตดูไหมถ้าเราเดินทางไปสู่ความพิการเสร็จใครรับผิดชอบเราสมมติถ้าเราพิการเนี ถ้าเราเกิดมาเป็นคนทุกคนยากชีวิตทั้งหมดทุกคนรับผิดชอบตัวเองเพราะบุญบุญกรรมนี่แหละจะเป็นอุปถ ร, รมภกกรรมหรืออุปปีและกกรรมที่จะมาอุปธรรมเราหรือว่าจะมาซ้ําเติมเราหรือจะมาเบียดเบียนเราหรือจะมาฆ่าเราเป็นต้นก็อยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมของเราเพราะนั้นกายวาจาใจที่เรากระทำเนี่ยจะต้องมาสอบสวนให้ดีๆไม่อย่างนั้นเนี่ย น, นะพูดอย่างงี้ชวนให้ฟุ้งซ่านหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่ชวนให้ฟุ้งซ่านนะไม่ใช่กวนน้ําให้มันขุ่นแล้วก็นหนีไปเฉยๆงั้นไม่ใช่แต่หมายความว่าเราควรมาตั้งเป้าประเด็นให้ให้ชัดเจนดังที่กล่าวบ่อยๆย้ยําอยู่เสมอว่าโสตาปฏิยังฆะธรรมเนี่ยนะสำคัญข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพราะไม่มีใครกระโดดไปเป็นพระอรหันต์ทีเดียวปุตุชนถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดเลยก็คือปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน พระโสดาบันเนี่ยนะก็มีข้อปฏิบัติ4ประการโทอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งคบสัตบุรุษเราต้องทำความเข้าใจในสัตบุรุษในที่นี้คือใครคือพระพุทธเจ้าต้องทำความเข้าใจในพระปุพพจริยาคุณสรีระคุณและพระพุทธคุณทั้งหลายพระพุทธคุณทั้งหลายให้ดีๆสองแล้วผู้ที่มีคุณเช่นนี้ท่านพูดอะไรอันนี้เรียกว่าฟังธรรมของศัตบุรุษว่าท่านพูดอะไรท่านแสดงอะไร สแล้วเราโยนิสโมสมนัสการชีวิตของเราเป็นไปกับคำสอนเหล่านั้นแค่ไหนแล้วคู่ควรที่จะเห็นอย่างที่ท่านพูดไหมเนี่ยนะเรียกว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรรมถ้าปฏิบัติตรงถูกต้องแล้วเครื่องวัดผลวัดได้ไหมวัดวัดว่าหนึ่งศรัทธาเรามั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ศีลของเราดีเยี่ยมเนี่ยนะอันนี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องประกันว่า ปิดอบายทุคติวินิบาทนารกได้ในจริงถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ไม่แน่นอนแต่ว่าเกือบจะแน่นอนแล้วแน่นอนมีสองอย่างแน่นอนผิดกับแน่นอนถูกก็หวังว่าคงไม่แน่นอนผิดนะนะคงแน่นอนถูกคงได้เห็นอริยสัจสักวันหนึ่งมีดวงตาเห็นอริยธรรมเนี่ยนะเห็นตาถ้าเราจะตรัสรู้ขอตรัสรู้ว่ายอย่างไร นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธถ้ า, ามิมีปฏิปทาถ้าเราจะขอเห็นทำขอให้เห็นแบบนี้เถอะเนี่ยนะถ้าเราจะขอให้เห็นถูกนะขอให้เห็นแบบนี้อย่าเห็นเป็นอย่างอื่นเลยถ้าเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วยุ่งมากเลยแล้วก็ไม่มีใครแก้ไขได้ด้วยนะปิดล้อมตัวเองม า, มาเคยสังเกตดูว่าทำไมตัวตัวใครเคยใช้ผ้าไหมบ้างเคยใช้ผ้าไหมนะและไอตัวไหมเนี่ยก่อนที่ไอ กว่าจะมาเป็นเส้นไหมแล้วมีอะไรอยู่ข้างในเส้นไหมอีกครั้งหนึ่งตัวหนอนเนี่ยนะตัวดักแด้เนี่ยมันจะอยู่ข้างในตัวมันมันเรียกว่าเอาน้ำลายเอาเส้นไหมก็คือน้ำลายอ่ะนะมาล้อมตัวเองจนเป็นซ่อนตัวอยู่ข้างในนั้นจนเรียบร้อยหมดเรียกว่าดักแด้นะเก็บซ่อนตัวเองจนเรียบร้อยหมดถามว่าพวกนั้นก็สัตว์เ่านั้นน้อยน้อยหรือมากมากจริงๆเ้าของเราเนี่ยปกปิดตัวเองถึงขนาดว่า เป็นอย่างนั้นไหมเราปกปิดจนไม่ยอมเห็นอริยสัจขนาดนั้นไหมเราป้องกันแหมปกปิดตัวเองซ่อนตัวเองจนไม่ยอมที่จะรับไม่ยอมที่จะเห็นความจริงวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมักไมเนยนะครับถ้าจะตรัสรู้ถ้าจะเห็นก็อย่างนิพพานที่เราพูดถึงอยู่ตอนเนี้บางคนเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยจะจินตนาการนิพพานเป็นเมืองบ้างเป็นจินตนาเป็นจินตนาการเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน พยายามถ้าพยายามที่จะเข้าใจให้ถูกต้องก็ขอบนี้ทุกนี้ทุกขสมูไยัยนี้ทุกคนิโรธและนี้ทุกคาเโรธาคา ม, มินีปฏิปทามันคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปีดกสามเพื่อจะอธิบายอยู่เท่านี้นะครั้งก่อนเคยกล่าวว่า